วันนี้เป็นวันศุกร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2566เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงการปีใหม่ไทยก็มีการเฉลิมฉลองมีการละเล่นมีการหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน กับชีวิตก็เป็นสิ่งที่ควรจะระมัดระวังไม่ให้ทำให้เกิดความหลงตามมาคือชีวิตของพวกเรานี้มันมีข้อสอบหรือมีสิ่งที่จะต้องมาทำให้พวกเรานั้น จะต้องเกิดความทุกข์ใจกันมันเป็นเหมือนข้อสอบของชีวิตที่พวกเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วจำเป็นที่จะต้องทำข้อสอบเหล่านี้ถ้าพวกเรา <c oughs> มีความนํำลึกถึงข้อสอบที่เราจะต้องทำ แล้วเราพยายามทําการบ้านกันไว้เสียแต่เนิ่นๆเพื่อที่เวลาที่เราเข้าห้องสอบเราจะได้ทําข้อสอบกันได้เราไปเรียนหนังสือเราก็ต้องทําการบ้านกันเพราเดี๋ยวถึงปลายเทอมเราก็ต้องเข้าห้องสอบกัน ทำข้อสอบกันถ้าเราขยันทําการบ้านกันมาอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่เราเข้าห้องสอบเราก็จะสอบผ่านชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนกับโรงเรียนที่เราไปเรียนหนังสือเราไปเรียนหนังสือเพื่อไปเตรียมตัวทําข้อสอบกัน เราต้องทําการบ้านกันอยู่เรื่อยๆการทําบ้านก็เป็นการซ้อมทําข้อสอบต่างๆนั่นเองพอถึงเวลาที่เราเข้าห้องสอบเราก็จะสามารถทําข้อสอบต่างๆได้ข้อสอบของชีวิตของพวกเราคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อเกิดมาแล้ว เราย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพาดพลาดจากกันเป็นธรรมดานี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าในชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าพวกเรา ได้ทำการบ้านกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะสามารถทำข้อสอบเหล่านี้ได้คือเราจะไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนไปกับความแก่ไปกับความเจ็บไปกับความตายไปกับการพัดพลาดจากกันได้เราจะอยู่กันอย่างเป็นปกติสุขไม่ต้อง ทุกไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ซึมเศร้าไม่ว้าเว<ม>เพราะสิ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้ถ้าเราทำการบ้านกันอยู่เรื่อยเพื่อที่จะได้เวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราจะได้ทำใจของเรา ให้เฉยได้ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำการบ้านกันไว้พอเวลาที่เราจะเข้าห้องสอบกันเราก็จะสอบตกเราก็จะทุกข์กันจะวุ่นวายใจกันจะเศร้าโศกเสียใจอันนี้ เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันทําการบ้านกันอยู่เรื่อยๆวิธีทําการบ้านก็ให้เรามั่นระลึกถึงความจริงอันนี้อยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาให้เราเนึกอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตาย พบกับการพัดภาคจากกันล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทุกข์กับมันถ้าเรารู้จักแยกตัวเราแยกใจเราออกจากร่างกายให้รู้ว่าใจกับร่างกายนี้ <c oughs> เป็นคนละคนกันร่างกาย เป็นคนหนึ่งใจเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมาอยู่ร่วมกันอยู่คู่กันติดกันเหมือนสามีภรรยาใจกับร่างกายนี้เป็นเหมือนสามีภรรยาที่อาศัยกันและกันเป็นการให้ความสุขแก่กัน ใจนี้ต้องการความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต้องการความสุขจากราบยศสรรเสริญต้องการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสธพ้าชนิดต่างๆการที่ใจจะสามารถไปสัมผัสไปครอบครองราบยศสรรเสริญไปครอบครอง ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆได้ใจต้องมีร่างกายเป็นเป็นเครื่องมือแต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นใจเป็นผู้ใช้ร่างกายร่างกายเป็นผู้รับใช้ใจใจมีความอยากหาความสุข จากภาพยศสนเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโพฏภชนิดต่างๆใจเลยต้องมาเกิดมามีร่างกายมาจับคู่กับร่างกายเหมือนกับสามีภรรยาที่อยากจะมีความสุขด้วยการอยู่ร่วมกันสามีก็เลยต้องไปหาภรรยาภรรยาก็ต้องไปหาสามี พอสามีได้พบภรรยาได้อยู่ร่วมกันทั้งคู่ก็มีความสุขกันใจก็เช่นเดียวกันการที่ใจของพวกเราจะมีความสุขได้เราก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปหาสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็คือหาลาบยศสรรเสริญ หารูปเสียงกลิ่นรสผลสะพชนิดต่างๆมาให้เราได้เสพได้สัมผัสได้รับความสุขแต่ปัญหาก็คือร่างกายของพวกเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขนี้มันเป็นของที่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักณไตรลักษณก็คือคุณ สมบัติสามประการด้วยกันร่างกายนี้มีคุณสมบัติอยู่สามประการประการแรกเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้มีการเจริญเติบโตมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมันไม่ได้อยู่เป็นร่างกายที่เหมือนเดิม มันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่นลเวอเอกาจากท้องแม่มาก็เป็นทารกแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็กลายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนโตแล้วมันก็ไม่หยุดที่ตรงนั้นมันก็ต่อไปเรื่อยๆจากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้เกกลายเป็นผู้เท่าผู้ชราแล้วก็ เป็นผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็เป็นผู้ตายนี่คือคุณลักษณะของร่างกายที่เรียกว่าอนิจจงแล้วก็มันก็การเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่แหละที่ทำให้ใจเกิดความทุกข์ใจทุกข์กับร่างกายตอนที่ร่างกายแก่ตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ตอนที่ร่างกายตายเพราะใจนี้ไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ในร่างกายนี้ตายไปใจก็เลยเกิดความทุกข์เวลาที่ร่างกายนี้แก่เจ็บตายแต่ความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอนัตตาร่างกายมันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่เราเราคือใจผู้ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย <c oughs> เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายนี้เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่อย่างใด เราเป็นผู้รู้ผู้คิดไม่มีความแก่ในผู้รู้ผู้คิดไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความตายแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นอย่างไรความหลงของเราเองความเข้าใจผิดของเราก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นเราทั้นั้นเอง เพราะเราตัวเราคือใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตามีร่างกายเป็นตัวแทนเราก็เลยไปคิดว่าตัวแทนของเรานี้เป็นเราขึ้นมามเราเป็นรวมกับร่างกายตอนที่ร่างกายเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องของของแม่ของมัรดา แล้วก็อยู่คู่กับร่างกายนี้มาตลอดอ อ, ออกมาจากท้องแม่พอลืมตาขึ้นมาเห็นร่างกายเราก็คิดว่าเราเป็นร่างกายเพราะเราเป็นธรรมชาติผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนใจนี้เป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแต่ใจมีความสามารถที่จะคิด ที่จะรู้อะไรผ่านสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้งกายได้แล้วก็มีความสามารถที่จะสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามที่เราต้องการได้นี่คือธรรมชาติของร่างกายและของใจร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีตัวตน ใจไม่ได้เป็นร่างกายถ้าเราลองแยกชำระร่างกายออกมาเป็นชิ้นส่วนต่างๆเราก็จะไม่เห็นว่าชิ้นส่วนไหนเป็นมีตัวตนเลยเช่นถ้าเราแยกอาการ32ของร่างกายออกมาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีปอดมีหัวใจมีตับมีทังเผืดมีลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีเยื่อในสมองศีรษะแล้วก็มีน้ำต่างๆเช่นน้ำสะเลน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหือน้ามันค้นน้ำตาน้ำมันเหลืวน้าลายน้ำมูกน้ำไขข้อนละน้ำมูด ถ้าเราแยกอาการต่าง ๆ, างๆเหล่านี้ออกมาแล้วเาจาะไปดูแต่ละอาการเราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงอาการเฉยๆทั้งเองเช่นผมนี่มันก็เป็นแค่ผมมันไม่มีเจ้าของมันไม่มีตัวตนใจที่ไม่มีรูปร่างนี้ไปยึดไปติดไปหลงไปคิดว่ามันเป็นของใจเราไปผมนี่เราไปรักผมเราหวงผมเราไปทุกข์กับผมเนี่ย เวลาผมงอกเราก็ทุกข์กันเวลาผมร่วงเราก็ทุกข์กันเพราะความหลงไปทำให้เราคิดว่าเราเป็นผมผมเป็นเราเป็นของเราแต่ความจริงแล้วผมมันก็เป็นอาการที่มากับร่างกายที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟที่ เวลาเข้ามาผสมกันก็สามารถที่จะผลิตอาการต่างๆของร่างกายขึ้นมาผมขนและฟันมามันก็ทำจากดินน้ำลมไฟเวลาที่อยู่ในร่างกายของแม่อาการ 3.2 ล่บนี้ก็เริ่มค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเพราะมีการมีการเติมดินน้ำลมไฟเข้าไปทาง ร่างกายของมันด า, ามันดาก็เอาลมเข้าทางทางจมูกลมหายใจเข้าออกเอาน้ำจากการดื่มของเหลวทั้งหลายแล้วก็เอาดินคือการรับประทานของแข็งเช่นอาหารกวกข้าวผักอะไรเนื้อสัตว์ต่างๆอันเหล่านี้เป็นธาตุทั้งนั้นน่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไร มันเปลนเป็นเหมือนกับเครื่องวัสดุก่อสร้างบ้านเนี่ยเวลาเราสร้างบ้านเราก็มีหินมีทรายมีปูนมีอิฐมีไม้มีกระจกมีกระเบื้องมีอะไรต่างๆเราเอามาผสมกันเอามาก่อสร้างขึ้นมากลายเป็นบ้านขึ้นมาเนี่ร่างกายก็อาศัยดินน้ำลงไฟนี้แหละ ที่มาสร้างมาประกอบให้เกิดอาการสามสิบสองขึ้นมาไม่มีตัวตนในร่างกายไม่มีตัวตนในอาการสามสิบสองเป็นเพียงอาการเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่มีตัวตนต้นไม้ก็เอาเอาดินน้ำลมไฟมารวมมามาม า, มาปรุงแต่งมาผสมแล้วมามาสร้างเป็นต้นไม้ เป็นลาต้นเป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้เป็นผ ล, ลไม้อากาศต่างๆอันนี้มันไม่มีตัวตนไม่มีความรู้สึกไม่คิดแต่อย่างใดมันเป็นเพียงธาตุเป็นธาตุเป็นการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่คือดินน้าลมไฟร่างกายของพวกเราอ น, นี้ก็เช่นเดียวกันลองแยกออกมาดูเสลองตัดผมออกมาแล้ว ถามว่าตัวเราอยู่ในผมหรือเปล่าตัวเราอยู่ตรงไหนเวลาเราโยนผมทิ้งไปแล้วตัวเราหายไปกับผมหรือเปล่าเวลาที่เราถอนขนออกมาแล้วทิ้งไปเราหายไปกับขนหรือเปล่าเวลาเราตัดเล็บทิ้งไปมันหายไปหรือเปล่าตัวเราหายไปหรือเปล่าเวลาเราถอนฟันออกมาเราหายไปกับฟันหรือเปล่า เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่เหมือนเดิมนี่วิธีที่เราจะศึกษาธรรมชาติของร่างกายเพื่อเราจะได้เข้าใจวิธีที่ปฏิบัติกับร่างกายที่ถูกต้องที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายคือเราต้องรู้จักว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไรกันแน่ ร่างกายนี้มันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับต้นไม้มันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่วิธีผสมปรุงแต่งมันมีสูตรต่างกันสูตรที่ผสมทำให้เป็นต้นไม้ม ก, ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งสูตรที่ผสมปรุงแต่งให้ทำให้เป็นร่างกายก็เป็นอีกสูตรหนึ่งเหมือนกับขนมที่เราทากันนี่ขนมเค้กขนมอะไรต่าง เราก็เอาวัตถุดิบชนิดเดียวกันมามามาผสมปรุงแต่งด้วยสูตรต่างๆด้วยวิธีการต่างๆเราเวลาทำเค้กทำขนมอะไรมันก็ต้องมีแป้งมีน้ำตาลมีน้ำมีอะไรต่างๆคล้ายคึงกันแต่สูตรที่ทำให้ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมามันต่างกัน แต่มันก็อาศัยวัตถุดิบอย่างเดียวกันอาศัยแป้งอาศัยน้าตาลอาศัยนมอาศัยเนยอาศัยอะไรต่างๆแล้วก็วิธีการทำมันต่างกันสูตรมันต่างกันมันก็เลยปรากฏให้มีขนมชนิดหลากหลายต่างกันขนมเคก้กขนมอะไรต่างๆเรียกหลายชื่อ แต่มันก็มาจากวัตถุดิบอันเดียวกันนั่นแหละมันก็ไม่มีตัวตนขนมเค้กมันไม่มีตัวตนร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวตนร่างกายก็มันก็ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ล, ลองไล่ไปแต่ละการแล้วถามว่า ม, มีตัวตนไหมไม่มีขนในปันมีตัวตนไหมไหหนังมีตัวตนไหม เนื้อเอ็นกระดูกมีตัวตนหรือเปล่มาม้าหัวใจปอดตับลาไส้มีตัวตนหรือเปล่ามันไม่มีหรอกของเหล่านี้มันก็เป็นเพียงแต่อาการทำหน้าที่ของมันไปแต่ละอาการมันมีมันเป็นมีหน้าที่ที่มันต้องทำเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะรักษาให้ร่างกายทั้งร่างกายนี้ อ, อยู่ต่อไปได้ ต้องอาการต่างๆที่มีในร่างกายมันก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ของมันไปถ้ามันเกิดอาการบกพร่องไม่ทำหน้าที่มันก็จะทำให้เกิดปัญหาแก่ร่างกายเช่นเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ทำตามหน้าที่ของมันตามปกติมันก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา ถ้าปอดไม่ทำหน้าที่เราก็มีโรคปอดถ้าหัวใจไม่ทำหน้าที่เราก็มีโรคหัวใจอันนี้คือธรรมชาติของร่างกายเราต้องศึกษาให้เข้าใจว่ามันเป็นเพียง <c oughs> ส่วนที่เกิดขึ้นจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟที่เราเอาเข้าร่างกายอยู่ตลอดเวลานี้ เพราะว่าร่างกายนี้มันจาเป็นจะต้องมีธาตุสี่มาคอยเติมให้มันอยู่เรื่อยๆถ้ามันขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปนี้มันจะทำให้มันยุยติการดำเนินชีวิตต่อไปได้เช่นถ้าขาดขาดธาตุลมเนี่ยไม่เพียงกี่นาทีนั่นเองร่างกายก็หยุดทำงานพอไม่มีลมเข้าไปในร่างกายเข้าไปทักพักหนึ่งขาดลมหายใจ เช่นคนจมน้ําตายเนี่ยคนลงจมน้ํามีแต่น้ําเข้าไปในร่างกายธาตุน้ําเข้าไปแต่ไม่มีธาตุลมพอขาดธาตุลมเดี๋ยวร่างกายก็หยุดทํางานเฉะนั้นต้องมีการเติมอยู่เรื่อยๆทั้งธาตุทั้งสี่ธาตุน้ําก็ต้องคอยเติมเวลาที่เรารู้สึกหิวน้นํานี่มันเป็นการบอกแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ร่างกายกําลังขาดธาตุน้ํา เราก็เลยต้องหาน้ำมาดื่มกันพอดื่มไปแล้วอาการรู้สึกว่ามันมันหิวน้ำมันก็จะหายไปร่างกายมันมีวิธีบอกให้เรารู้ว่าถึงเวลาจะต้องเติมอะไรบ้างเช่นธาตุดินนี่ก็เวลาที่เรารับประทานอาหารนี่พอเวลาที่ร่างกายขาดธาตุดินมันก็จะทำให้เกิดรู้สึกว่าเราหิวหิวอาหาร ต้องอาหารอาหารมารับประทานต้องเติมธาตุดินเข้าไปธาตุไฟก็เกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายรู้สึกหนาวเย็นมันก็บอกเราว่าตอนนี้ร่างกายเราขาดธาตุไฟธาตุไฟไม่พอต้องเติมธาตุไฟโดยการกินของร้อนๆเข้าไปบ้างด้วยการทำให้อุณหภูมิรอบตัวเราสูงขึ้นมาให้มันร้อนขึ้นมาหรือหา เสื้อผ้ามาสวมใส่กันไม่ให้ธาตุของความความเย็นมันเข้าไปในร่างกายอันนี้แหะเป็นเรื่องของธาตุทั้งนั้นแหะเรื่องของร่างกายเรามันไม่มีตัวตนมันเป็นระบบธรรมชาติร่างกายถ้าเรียกว่าเป็นอนัตตาคุณสมบัติขั้นที่สามก็คืออนัตตาเป็นระบบธรรมชาติไม่มีตัวตนอ ไม่มีตัวตนขับเคลื่อนสั่งให้ร่างกายอหายใจสั่งให้ร่างกายดื่มน้ําสั่งให้ร่างกายอะไรร่างกายมันเป็นตัวสั่งเองมันเป็นคนตัวคอยบอกใจว่าให้ตอนนี้หิวน้ำแล้วนะหาน้ําให้ดื่มหน่อยตอนนี้หิวข้าวแล้วหาข้าวมาให้กินน่อยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ใจมาครอบครองธรรมชาติก้อนนี้ร่างนี้ร่างกายนี้แต่ใจ ไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้ถึงธรรมชาติของร่างกายนี้ว่ามันเป็นอย่างไรมันก็เลยทำให้ใจนี้ปฏิบัติกับร่างกายไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติกับร่างกายไม่ถูกต้องมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นที่ใจก็คือความทุกข์ใจนี่ความทุกข์ใจที่เกิดจากความวิตกกังวลความหงอยใจกับความเป็นไปต่างๆของร่างกายทาให้เกิดความ ทุกใจขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เทีย่ยงมันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นระบบการทำงานของธรรมชาติเป็นระบบธรรมชาติธรรมชาติที่ทำมาก็คือดินน้าลมไฟนี้ธาตุทั้งสี่นี้เป็นธรรมชาติ ร่างกายนี้ถ้าสรุปก็คือมันก็เป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนเหมือนกันต้นไม้ก็ทำมาจากดินน้าลมไฟร่างกายนี้ก็ทามาจากดินน้าลมไฟเพียงแต่สูตรผสมนี่มันต่างกันมันก็เลยทาให้คุณคุณลักษณะของร่างกายนี้มันออกกับร่างกายกับต้นไม้นี้ออกมาไม่เหมือนกันต้นไม้ก็มีต้นมีลำมีลำต้นมีเปลือกไม้ มีกิ่งไม้มีใบไม้ส่วนน่างกายนี้ก็มีอาการสามสิบสองแต่สิ่งที่มันเหมือนกันก็คือมันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันน่างกายเกิดแก่เจ็บตายต้นไม้มันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเพราะามันเป็นกฎแห่งธรรมชาติกฎของไตรลักษณ์ส่วนข้อที่สามที่เราเรียกว่าทุกขังเนี่ ความทุกขนี้มันไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายคำ ว, ว่าทุกข์นี้หมายถึงทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจใจที่มาครอบครองร่างกายนี้เกอดความทุกข์กับร่างกายความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่เกิดจากความอยาก ให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นที่ตัวที่ทําให้ใจทุกข์แต่มันก็อยู่ในมันก็รวมกันอยู่ในกฎของตายร่างสามันร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาออ น, นิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายทุกขังทําให้ใจทุกข์ออนัตตาเป็นสิ่งที่ เป็นกฎของเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือเป็นกระบวนการของธรรมชาติมันไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีตัวตนมันเป็นเหมือนต้นไม้นี่คือสิ่งที่เราต้องมาศึกษากันศึกษาให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นอะไรต้องรู้ว่าร่างกายเป็นธรรมชาติดินน้ำลมไฟเป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆตั้งแต่วันเกิดมาจนไปสู่วันตายเป็นระบบของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับหรือไปห้ามมันได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องเป็นอย่างนี้ใจที่มาครอบครองนี้ถ้าไม่ศึกษาไม่เข้าใจก็จะเห็นผิดเป็นชอบ เห็นว่าร่างกายนี้แทนที่จะเห็นว่าเป็นธรรมชาติเป็นส่วนประกอบขึ้นมาของธรรมชาติก็ไปเห็นว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาเท่านั้นเองพอใจไปได้อะไรมาเป็นเราเป็นของเราใจก็อยากจะให้ของที่ได้มานั้นอยู่กับใจไปเรื่อยๆไม่ต้องการให้มันจากใจไปเพราะว่าใจต้องอาศัยมันต้องพึ่งร่างกายนี้ มาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆให้กับใจนั่นเองนี่คือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายปัญหาอยู่ที่ความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากใจที่ไปหลงไปยึดไปติดกับร่างกายไปพึ่งร่างกาย เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆจึงทำให้จ่ายความทุกข์เวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของมันได้ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่เป็นยังไม่แก่ถ้าวาัยชราไม่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้ร่างกายก็จะตอบสนองความอยากของใจได้อยู่เรื่อยๆใจต้องการดูต้องการฟังต้องการ เดิมต้องการรับประทานอะไรนี้ร่างกายก็สามารถทำตามคำสั่งได้แต่มันก็มีวันที่ร่างกายมันจะไม่สามารถทำตามคำสั่งได้เวลาที่ร่างกายแก่มากๆเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเวลาร่างกายจะตายหรือตายไปแล้วมันก็จะจบจะไม่สามารถตอบสนองความอยากความต้องการของใจได้ เวลานั้นแหละที่ทำให้ใจทุกข์เพราะใจไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับใจได้นั่นเองที่ใจทุกข์เพราะใจอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเลยอยากให้ร่างกายไม่แก ẻ, ่ร่างกายไม่เจ็บร่างกายไม่ตายพอร่างกายแกร่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจก็เลยทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ ไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายด้วยยิ่งทำให้ทุกข์ใหญ่คิดว่าตนเองแก่ไปกับร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายตายไปกับร่างกายแต่ความจริงแล้วใจไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วใจก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายด้วยใจอยู่เอกภพหนึ่งอยู่ในเอกมิติหนึ่งร่างกายนี้อยู่ในมิติที่เราเรียกว่าธาตุโลกธาตุโลกของธาตุสี่ โลกของธาตุดินน้ำลมไฟและเอาเ อ, า, อ า, ากาศธาตุเนี่ยมีคือที่ที่อยู่ของร่างกายส่วนใจนี้อยู่อีกโลกนึงอยู่อีกมิติหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์นี่โลกทิพย์ที่เราไม่สามารถมองด้วยตาของร่างกายได้การที่เราจะเห็นโลกทิพย์ได้นี้เราต้องใช้ใจนี่แหละใจที่เป็นกายทิพย์นี้เห็นโลกทิพย์ได้ แต่ตอนนี้ใจไม่รู้จักวิธีใช้ตาของใจตาทิพย์ของใจให้เห็นโลกทิพย์ให้เห็นตัวของใจว่าในขณะนี้อยู่ในโลกทิพย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับร่างกายอย่าง น, นี้สมมุติว่าถ้าโลกที่ร่างกายตั้งอยู่นี้เกิดระเบิดไปทั้งโลกเลยโลกที่กลมๆที่เราอยู่กันเนี่ยเกิดวันใดวันหนึ่งมันระเบิดเป็นเสียงเสียงขึ้นมา สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดนี้มันก็สิ้นสุดลงแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับการระเบิดเป็นเสียงเสียงของโลกนี้เลยเพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจอยู่อีกโลกหนึ่งเหมือนอยู่กับอยู่บนโลกพระจันทร์อย่างนี้โลกพระจันทร์คนที่อยู่บนโลกพระจันทร์จะไม่ถูกผลกระทบที่เกิดจากการระเบิดของโลกที่ที่อยู่ในขณะนี้ พราะอยู่คนละที่กันอันนี้แหละคือเรื่องของร่างกายและใจมันเป็นอย่างนี้อยู่คนละโลกกันแต่ใจไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักว่าตัวเองอยู่ที่ไหนใจพอได้มาเชื่อมต่อกับร่างกายใจนี่เชื่อมต่อกับร่างกายเหมือนกับเวลาที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเครื่องของเรากับเครื่องของคนอื่นนี เวลาที่เราเชื่อมต่อกันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมามาผูกมัดติดกันอยู่ด้วยกันเรามีมือถือสองเครื่องคนหนึ่งอยู่กรุงเทพคนหนึ่งอยู่ที่นี่ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้สามารถสื่อสารพูดคุยกันได้ตอบตอบโต้กันได้ผ่านระบบะวิทยุเนี่ยกระแสะวิทยุที่เขาใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่อง ไม่ได้มาอยู่ร่วมกันที่เดียวกันเพราะคนหนึ่งอยู่กรุงเทพคนหนึ่งอยู่ที่ที่นี่ถ้าสมมติมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่กรุงเทพทำให้คนที่อยู่กรุงเทพนั้นตายไปคนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ตายไปกับคนที่อยู่ที่กรุงเทพเพราะอยู่คนละที่กันใจกับร่างกายก็เหมือนกันร่างกายอยู่ในโลกธาตุใจอยู่ในโลกทิพย์ โลกทีพย์กับโลก่านนี่เป็นคนละโลกกันเหมือนเหมือนเหมือนพระจันทร์กับโลกนี้เป็นเป็นคนนะคนละดวงกันดวงจันทร์ก็เป็นดวงหนึ่งโลกที่เราอยู่นี้ก็เป็นเป็นเป็นดาวอีกดวงหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่สามารถสื่อสารกันได้สามารถสั่งการกันได้ใจสามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้ สามารถรับข้อมูลที่ร่างกายรับเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วก็ส่งมาที่ใจส่งผ่านตัวที่มาเชื่อมต่อกันตัวที่เชื่อมต่อร่างกายกับใจนี้เราเรียกว่าวิญญาณซึ่งเป็นเป็นกระแสการรับรู้ที่ใจส่งมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกาย เหมือนกับกระแสวิทยุที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือสองเครื่องมันเป็นกระแสที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาตาเปล่าของเราเราไม่สามารถมองเห็นกระแสวิทยุที่มาเชื่อมต่อกับเครื่องมือถือของเราได้เพราะว่ามันเป็นของที่ตาของเรานี้ไม่มีความสามารถที่จะมองเห็นได้<ม>เช่นเดียวกับกระแส ของการรับรู้ที่ส่งมาจากใจมาเกาะที่มาเชื่อมต่อที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็เป็นกระแสที่เรามองไม่เห็นกันแต่เราเห็นผลของมันเพราะมันทำให้เรานี้คือใจนี้สามารถเห็นรูปที่ตาเห็นได้สามารถได้ยินเสียงที่เข้ามาทางหูได้สามารถรับรู้กลิ่นที่เข้ามาทางจมูกได้ รับรู้ลิ้นรสที่เข้ามาสัมผัสกับลิ้นได้รับรู้กับสิ่งที่มากระทบกับร่างกายได้เช่นตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยมันเข้ามาทางร่างกายใจก็รับรู้ได้ว่าตอนนี้อากาศร้อ น, นอันนี้แหละคือระบบสองระบบมาเชื่อมต่อกันระบบใจกับระบบกายร่างกายกับใจ เ, เป็นสองระบบด้วยกันไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ร่างกายนี้ไม่ได้ไปทำให้เกิดผลกระทบต่อใจเลยแต่อย่างใดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ใจคือความทุกข์ใจนี้มันเกิดขึ้นจากใจเองเท่านั้นเองใจเป็นผู้สร้างความทุกข์ขึ้นมาให้กับตนเองด้วยความอยากของใจเองเท่านั้นเองคืออยากให้ร่างกายนี้มันทำหน้าที่ของมันได้ตลอดเวลา การที่ร่างกายจะทำหน้าที่ของมันได้ตลอดเวลามันก็ต้องแข็งแรงมันต้องไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายใจถึงมีความอยากอันนี้ขึ้นมาอยากให้ร่างกายไม่แก่อยากให้ร่างกายไม่เจ็บอยากให้ร่างกายไม่ตายเพราะใจต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจนั่นเองหารูกเสียงกลิ่นลดโผฏฐะให้หาลาบยศสรรเสริญให้กับใจ พอร่างกายนี้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้ใจก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างใจเราทุกเวลาที่ร่างกายมันแก่มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันตายก็เพราะว่าเวลานั้นร่างกายไม่สามารถทําหน้าที่ตอบสนองความอยากของเราได้ของใจได้นั่นเองดงนั้นถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ กับความเป็นไปของร่างกายที่ต้องเป็นไปอย่างแน่นอนร่างกายของเราทุกคนนี่กลังเดินเข้าสู่ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่ความตายด้วยกันทุกคนจะไม่ต้องการมันก็ห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้เหมือนกับการโคจรของดวงอาทิติเราไปสั่งให้ดวงอาทิตย์หยุดตอนกลางวันไม่ได้อย่าไปอย่าไปตกดินห้ามห้ามไม่ให้ดวงอาทิตย์ไปตกดินไม่ได้ อาทิตย์มันขึ้นมาตอนเช้าแล้วมันก็โคจรข้ามท้องฟ้ามาไปเรื่อยๆจากทิศตะวันออกในที่สุดมันก็ไปจบที่ทิศตะวันตกร่างกายของเรามันก็เป็นเหมือนการโคจรของดวงอาทิตย์มันก็เริ่มต้นที่การเกิดแล้วมันก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บและในที่สุดมันก็ไปจบลงที่ความตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครห้ามมันได้เพราะนั้นถ้าใจไม่อยากจะทุกข์กับ ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความไม่เที่ยงของร่างกายใจก็ต้องอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่นั้นเองอันนี้ถ้าถ้าหยุดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้นี่คือข้อสอบนี่คือการบ้านที่เราต้องทํากันเนี่ย พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ทำการบ้านและได้ทำข้อสอบนี้มาด้วยพระองค์เองตั้งแต่ตอนที่พระองค์เริ่มเห็นความเป็นจริงของร่างกายตอนที่ออกไปเที่ยวนอกพระราชวังแล้วไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นครั้งแรกทำให้พระองค์เริ่มเห็นข้อสอบของพระองค์แล้วว่านี่คือข้อสอบที่จะต้องทำแล้วก็ไปเห็นนักบวชว่าเป็น ผู้ที่ไปแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายเป็นเหมือนเป็นเป็นโรงเรียนที่จะไปทําการบ้านที่จะไปทําข้อสอบไปเตรียมตัวทําข้อสอบกันพระองค์ก็เลยเปลี่ยนการดํารงชีพเปลี่ยนจากการอยู่ในพระราชวังหาความสุขผ่านทางร่างกายเพื่อไปออกบวชและเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องเพิ่งร่างกายในการใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขการที่ใจจะไม่ต้องใช้เครื่องมือหาความสุขไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ใจต้องมีความสุขอีกชนิดหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีหาความสุขเหมือนกับเวลาที่เราใช้รถยนต์เราใช้รถยนต์แล้วรถยนต์มันเก่าเราก็ต้องอยากจะเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ เราก็ไปหารถยนต์ใหม่มาพอเราได้รถยนต์ใหม่มารถคันเก่าเราก็ทิ้งมันได้ไม่ต้องใช้มันก็ได้ร่างกายนี้ใจตอนนี้อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่ตอนนี้เรารู้กันแล้วว่าร่างกายนี้เราพิ่งมันไปไม่ได้ตลอดมันเป็นเหมือนรถยนต์ที่ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเก่ามันจะต้องพังไปจะต้องเสีย จะต้องคอยให้เราปวดหัวต้องคอยเข้าเข้าไปซ่อมอยู่เรื่อยๆมันก็จะมีแรงจูงใจให้เราไปเปลี่ยนรถใหม่ดีกว่าไปหาซื้อรถคันใหม่เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วก็ไปซื้อรถคันใหม่มาใช้ต่อส่วนรถคันเก่าเราจะได้ทิ้งมันได้หรือขายทิ้งไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ลืมว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องพยายามทำจดจำให้ได้ตลอดเวลาว่าเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขคือร่างกายนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันจะเป็นเหมือนรถยนต์ที่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะต้องเก่าเมื่อมันเก่าแล้วมันก็จะชำรุดต้องเสียต้องเข้าอู่ซ่อมอยู่เรื่อยๆจะขับรถไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยจะมั่นคง ม, นมั่นใจว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ จะไปเสียกลางทางหรือเปล่ามันก็จะทาให้เราไม่อยากจะใช้รถคันเก่ากันเราก็อยากจะไปหาซื้อรถคันใหม่เราก็ถ้ายังไม่มีเงินเราก็พยายามเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพื่อที่เราจะได้มีเงินไปซื้อรถคันใหม่กันอันนี้ก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าพอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี้ท่านก็รู้เลยท่านมีปัญญาท่านคิดได้วนะ่า ต่อไปร่างกายของท่านก็จะเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเวลาเป็นแล้วก็จะใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ได้เลยต้องหาวิธีใหม่ต้องหาวิธีหาความสุขแบบใหม่ก็เห็นพวกนักบวชนะพวกนักบวชนี้เขามีวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายคือการหาความสุขด้วยการทําใจให้สงบอวุทธเจ้าก็เลยต้องตัดสินใจสะละราชสมบัติ พอรู้ว่าวันข้างหน้าเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้จะไม่สามารถที่จะอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้กับความสุขกับพระองค์ได้แล้ว<ม>ได้ต่อไปก็เลยเปลี่ยนวิหะวิธีหาความสุขดีกว่าหาความสุขจากการทำใจให้สงบ ก, ก็เลยสละราชสมบัติออกบวชแล้วก็ไปศึกษาอยู่กับพวกนักบวชที่มีความชำนาญ ในการทำใจให้สงบจากการฝึกสติจากการนั่งสมาธินี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องทำกันเพื่อแก้ปัญหาคือความจริงสิ่งที่สองไม่ใช่สิ่งแรกสิ่งที่แรกสิ่งแรกที่เราต้องคอยทำอยู่เรื่อยๆก็คือคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องคิดบ่อยๆคิดทุกวันเพื่อจะได้ไม่ลืม เพราะเราจะได้รู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเวลาที่ร่างกายแกร่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้มันจะไม่สามารถตอบตอบสนองความอยากความต้องการไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้นี่คือสิ่งแรกที่พู้เจ้าทรงสอนให้พวกเรามันล้ำลึกถึงกันอยู่เรื่อยๆให้นำลึกทุกวันทุกคืนเลยม่อย่าให้ลืม ว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเรานอกจากร่างกายเราแล้วเราอย่างไปอาศัยร่างกายคนอื่นมาให้ความสุขกับเราด้วยเช่นร่างกายของคู่ครองของเราของสามีของภรรยาเราเราก็อยากให้ร่างกายของสามีภรรยาเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกันอยากจะให้เขาอยู่ไปอยู่กับเราไปานานๆแต่ความจริงมันก็คือความจริง ก็คือจะต้องมีการพัดพากจากกันไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวร่างกายของเขาก็อาจจะต้องเป็นอะไรไปขึ้นมาใครจะเป็นก่อนใครก็ไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือต้องเป็นแน่นอนนี่คือสิ่งแรกที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราถ้าอยากจะทำการบ้านอยากจะทำข้อสอบอยากจะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายจะต้องหมั่นเตืนเตนตอนตัวเองอยู่เรื่อยๆว่า ร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดภาคจากกันถ้าเราจาท่องอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่ลืม <Yeah. S 1> พอไม่ลืมเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องรีบเตรียมตัวแล้วเราเพิ่งร่างกายนี้ไม่ได้แล้ว <Yeah. S 1> ในอนาคตต่อไปร่างกายนี้มันก็จะชำรุดทุดโทรมมันจะไม่ตอบมันไม่สามารถทําหน้าที่ตามที่เราต้องการได้เสมอไป เราควรจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้แล้วคือเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายมาหาความสุขทางใจโดยตรงดีกว่าเพราะว่ายังมีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในใจของเราเองและดีกว่าความสุขที่ได้จากร่างกายเสียด้วยซ้ําไปเพียงแต่ว่าเราไม่เคยหากันไม่เคยทํากัน เราก็เลยไม่รู้ว่าเรามีสิ่งที่วิเศษอยู่ในตัวเราอยู่ในอยู่ในใจของเราเราต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้มาบอกพวกเรามาหยุดอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเลยเพราะมันจะทาให้เกิดความทุกข์เวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายให้มาหาความสุขภายในใจเราดีกว่าหาความสุขภายในใจที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี่ถ้าเราทำใจให้สงบได้ให้ใจนิ่ง ไม่ให้คิดอะไรได้เราจะได้พบกับความสุขที่ที่เราไม่เคยพบมาก่อนและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากผ่านทางร่างกายอันนี้แหละคือข้อที่สองในการทำการบ้านที่เราต้องพยายามมาม า, มาทำกันให้ได้ถ้าเราอยากจะทำข้อสอบเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายแล้วเราสามารถ ทำข้อสอบได้อย่างสบายคือไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องมาทำข้อที่สองก็คือมาสร้างความสุขภายในใจกันมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจวิธีที่จะทำให้ใจเราสงบนี้เราก็ต้องใช้เครื่องมือที่พระเจ้าสงมอบให้กับเรานั่นเองเบื้องต้นก็ให้เรารักษาศีลให้เรารักษาศีลแปดกัน ถ้าเราต้องการทําใจให้สงบเราต้องเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายศิลข้อสก็คือไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับใครเพราะการร่วมหลับนอนก็เป็นการหาความสุขผ่านทางร่างกายนั่นเองแล้วก็ศิลข้อหก็คือไม่ให้เราหาความสุขจากการรับประทานการดื่มอาหารมากจนเกินไปให้รับประทานพอเลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอไม่ให้รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้ว นี่คือข้อละเว้นการหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารชนิดต่างๆมากเกินไปตามความอยากอย่าไปรับประทานตามความอยากให้รับประทานตามความจำเป็นแล้วก็ให้ยุติการหาความสุขจากมหัศพ บ, บันเทิงต่างๆเป็นการดูหนังฟังเพลงการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงหรือการไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใหยุติกิจกรรมเหล่านี้พร้อมกับการไม่ยุติการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรรด้วยการทำเล็บทําผมทําอะไรต่างๆด้วยเครื่องสำางน้ํามันน้ําหอมอะไรต่างๆให้ยุติพฤติกรรมเหล่านี้เพราะเป็นการหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วก็ข้อที่8ก็คือไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไป หลับนอนได้เหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานได้แต่ให้พอกับความต้องการของร่างกายก็พอร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนคืนนึงไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงทั้งเองไม่จำเป็นจะต้องหลับเป็นแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงถ้านอนบนพูกที่นะเป็นเตียงสำราญเตียงที่สบายมันจะนอนมากเกินความจำเป็นโดยต้องมานอนบนพื้นแข็งแข็งแทน เพื่อที่เวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาจะได้ไม่นอนต่อเพราะมันไม่สบายนอนบนพื้นแข็งๆมันไม่สบายเหมือนนอนบนฟูกหนาๆ น, นี่คือสิ่งแรกที่ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติถ้าอยากจะเข้าหาความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าอยากจะพึ่งความสุขที่ไม่ต้องพึ่งผ่านทางร่างกายต้องต้องถือศีลแตกันให้ได้ แล้วก็ต้องไปหาที่สงบที่ไม่มีเสียงรูปเสียงกลิ่นรถต่างๆมายุ่ยยวนกวนใจถ้าเราไปรักษาศีลแล้วไปปฏิบัติธรรมที่บ้านนี้มันจะลำบากเพราะคนรอบบ้านเหล่านี้เขามีแต่กินกัดดื่มมีแต่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรถมีการร้องรํำทำเพลงมีการดูมหัศลศพอะไรต่างๆมีการกินกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเห็นเขาทำแล้วเรามันก็จะทาให้ใจเราอดไม่ได้ เพราะใจเรายังมีความอยากที่จะเสพสิ่งเหล่านี้อยู่เราต้องแยกร่างกายเราไปหาที่สงบที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราเรียกว่าเป็นการปลีกวิเวกวิเวกก็คือที่สงบสงัดจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองจากสิ่งยุ่ยยวนกวนใจต่างๆการที่เราจะทำใจให้สงบได้เราต้องไปอยู่ร่างกายต้องไปอยู่ในสถานที่ที่สงบก่อน ถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีรอมล้อมด้วยรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมันจะทําให้การไปทําใจให้สงบนี้ทําได้ยากนี่คือสิ่งที่เราต้องทําถ้าเราอยากจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมาใช้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ต้อง ถือศีลแปดกันแล้วก็ไปอยู่ที่สงบไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆวัดปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่สงบจะคอยควบคุมไม่ให้เกิดมีเสียงหรือกระทึกเครื่คมไม่ให้มีการกิจกรรมอะไรต่างๆที่มาลบกวนความสงบของใจไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาวัดที่มีการปฏิบัติธรรมไปอยู่ที่นั่นเขาก็จะให้ถือศีลแปแล้วเขาก็จะมีที่ให้ปฏิบัติแยกกันไปอยู่คนละที่กัน จะมารวมกันก็เฉพาะเวลาที่มาทำกิจ mm. เช่นมารับประทานอาหาร mm. หรือมาฟังเทศฟังธรรมเท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้วก็ให้แยกกันอยู่กันไปห้องใครห้องมันที่อยู่ใครที่อยู่มัน mm. เพื่อที่จะได้มาควบคุมความคิดของใจให้หยุดคิดให้ได้พอหยุดคิดได้แล้วเราก็จะสามารถทำให้ใจสงบแล้วทำให้เกิดความสุขขึ้นมาได้ mm. นี่คือวิธีการเปลี่ยน วิธีการเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะไปหาความสุขจากการไปใช้ร่างกายไปเที่ยวไปกินไปเดิอมอะไรตา่างเราเปลี่ยนมาใช้การเจริญสตินั่งสมาธิในสถานที่วิเวกที่สงบสงัดถ้าเราทำจริงๆทำได้ทุกคนขอให้เราตั้งใจทานันเองมันไม่ยากหรอกการคอยควบคุมใจเราไม่ให้คิดเนี่ยเพราะมีอุบายเนย พระพุทธเจ้าสอนว่าวิธีที่จะทําให้ใจเราไม่คิดก็คือให้เราหมั่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปในใจอยู่เรื่อยๆให้ทําตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาถ้าเราไปอยู่ที่ปฏิบัติแล้วพอเราตื่นเช้าขึ้นมานี้เราให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วินาทีแรกที่เราตื่นเลยก็คือบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าร่างกายเราจะไปทําอะไรก็พุทโธพุทโธไป ไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปรับทานอาหารก็ให้พุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สถานที่นั่นที่นี่ต้องควบคุมทางคิดให้ได้ถ้าเวลาเราปฏิบัติแล้วเราไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดถึงใครเลยเราเหมือนกับทิ้งทุกอย่างไปหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่สนใจแล้วเราสนใจแต่การมาปฏิบัติ เพื่อที่จะทําใจของเราให้สงบเท่านั้นเอง mm. เราต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆ mm. ในการบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติท mm. ้องพุทธโธไปเรื่อยๆ mm. หรือเราจะใช้สลับกับการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ mm. เวลาร่างกายเดินก็เฝ้าดูว่ากําลังเดินกํนาลังยืนกําลังนั่งกําลังเดินกํนาลังรับประทานกํนาลังทําอะไร ก็เฝ้าดูการกระทาของร่างกายโดยที่ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็เป็นเหมือน ก, นกับการใช้คำบริกรรมพุทโธเหมือจะใช้พุทโธ ร, ร่วมไปกับการดูร่างกายไปด้วยก็ได้เหมือนกัน mm hmm. เพื่อที่จะทำให้ใจนี้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ mm hmm. ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของร่างกายได้ตั้งแต่เราเริ่มตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเวลาเราไปนั่งสมาธินี้ใจจะนิ่งจะสงบง่าย เพราะว่าความคิดมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วเพราะเราคุมมันมาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาพอนั่งสมาธินั่งหลับตาพุทโธไปแล้วดูลมหายใจไปนี้ไม่นานจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกสติมาก่อนไม่คอยควบคุมความคิดมาก่อนนี้เวลาเรามานั่งสมาธินี้นั่งไปนานเท่าไหร่มันก็มันก็ฟุ้งซ่านอยู่นั่นคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ จนกระทั่งทำให้เห็นว่านั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งไม่เกิดผลก็อาจจะทําให้เกิดความท้อแท้ขึ้นมาอาจจะยอมแพ้แล้วยอมยอมยอมกลับไปอยู่กับร่างกายอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วค่อยไปทุกข์กับมันตอนที่มันแก่มันเจ็บมันตายต่อไปก็มีเพราะว่าไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเบื้องต้นก็คือต้องมีสติก่อน ต้องมันเจริญสติต้องให้มันคอยควบคุมความคิดให้ได้ก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิแล้วต้องไปอยู่ที่วิเวกต้องไปถือศีลแปดเนี่ย น, นี่เป็นสิ่งที่เราต้องต้องรู้ว่าเราเป็นสิ่งที่เราต้องทํากันในเบื้องต้นตอนที่จะมานั่งสมาธิแล้วพอเราไปที่สงบที่วิเวกถือศีลแปดได้แล้วเราจเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาได้เวลาที่เรานั่งสมาธินี่จะสงบได้ง่ายได้เร็ว แล้วจะสงบได้นานด้วยไม่เชื่อลองไปทำดูถ้าทำแล้วจะได้ผลดีจะได้พบกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนว่ามันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติบาลังสุขถังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มีมีความมีความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่ดีที่สุดที่เยี่ยมที่สุดพอเราได้สัมผัสกับความสงบ ได้ขำผายกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะเลิกพึ่งร่างกายได้เลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วถ้าเราไม่พึ่งร่างกายแล้วเราก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะแก่ก็เรื่องของมันมันจะเจ็บก็เรื่องของมันมันจะตายก็เรื่องของมันแต่ใจเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้ว เพราะใจเราสามารถใช้สติใช้การปฏิบัติธรรมนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจได้แล้วใจก็เลยไม่ต้องทุกข์กับร่างกายต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้ร่างกายนี้แล้วเป็นเครื่องมือเหมือนกับถ้าเราได้รถยนต์คันใหม่แล้วรถยนต์คันเก่านี้มันจะมันจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้ว เวลาเราซื้อรถยนต์ใหม่มาเรายังจะไปใช้รถเก่าหรือเปล่าซื้อรถยนต์ใหม่มาจอดไว้ใช้เฉยๆหรือเปล่าไม่ใช่ไหมเราซื้อรถยนต์มาใหม่เราก็ต้องใช้รถยนต์คันใหม่เพราะมันพาให้เราไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมั่นใจได้แต่ถ้าใช้รถเก่านี่มันบางทีเดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวบางทีก็ชำรุดมีปัญหาต่างๆตามมาพอเราได้รถใหม่แล้วรถเก่าเราก็ทิ้งไปหรือขายทิ้งไปหรือ ย, ยกให้คนอื่นไป ใช้รถใหม่ดีกว่าเช่นเดียวกับการที่เราได้พบกับความสุขในรูปแบบใหม่คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจเจริญสมเจริญสมาจเจริญสตินั่งสมาธิถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปพึ่งร่างกายต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราสามารถมีความสุขได้ทั้งที่เวลาที่ร่างกายแก่ใจก็ยังมีความสุขเหมือนกับตอนที่ไม่แก่ ตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ยังสุขเหมือนตอนที่ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่ร่างกายตายใจก็ยังสุขเหมือนเดิมเพราะว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันใจมีวิธีการหาความสุขโดยไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วดังนั้นเวลาร่างกายเป็นไรใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะใจไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะรู้ว่าห้ามมันไม่ได้ร่างกายยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็ยอมรับมันไปไปล่อยให้มันแก่มันเสื่อมันตายไปแต่ใจไม่ทุบไปกับมันเพราะใจมีความสุขในตัวของตัวเองนี่แหละคือเรื่องที่เราควรที่จะเอามาทบทวนมาคิดมานึกอยู่บ่อยๆ อ, อย่าไปหลงนะาเิงกับการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอย่างเช่นตอนนี้ทุกคนกําลังสนุกเพลิดเพลินกับการหาลูกเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆกันไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่ตางๆ ไปเล่นน้ำเล่นอะไรกันไปดไปกินไปดื่มอะไรกันพวกนี้เขาลืมไปเขาไม่เคยคิดว่าวันข้างหน้าเขาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวันที่เขาจะไม่สามารถที่จะไปทําในสิ่งที่เขาอยากจะทำได้แล้ววันนั้นก็จะเป็นวันที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความซึมเศร้าตามมาแต่ถ้าพวกเราคอยตื่นใจแล้ ว, ว่าอย่าไปหาความสุขในรูปแบบนี้เลยหรือถ้าหากก็หาพอพ อ, พอสมเหตุสมผล แบ่งเวลามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเราได้ความสงบและรู้จักทำใจให้มีความสุขแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายกต่อไปร่างกายเป็นไรเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับมันอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เคานำม า, มาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวาหาปุราปริปุเรินติสากลังเอวเมวอิโตชินนางเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมห um ังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรินตุสังกปา จันโทปนาราโสยทามณิโชติอลรโสยทาสพิติโยวิวัชจันตุสะพารโควินาสตุมาเตภวตวันตาาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังุทาปจายโน ยตาโรธรรมวทานติ <S S <ade>. <S อายุวันโอสุขังภาฬาช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากเลิกแล้วจะต้องทำภารกิจอย่างอื่นจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถาม ขอให้ถามในช่วงนี้ถามเมนก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่กราบนมสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ผู้รับฟังทาง Facebook พระอาจารย์มี443ท่าน YouTube พระอาจารย์267ท่าน YouTube ของด็อกเตร์วีชาหนึ่งท่านวิทยุออนไลน์8ท่านคราเพาสิท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ170เจท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งบท่านเจ้าค่ะมีคำถามก็อ่านได้เลยมีคำถามจากหน้าหน้ากุฏิเจ้าค่ะ มีคำถามสองคำถามค ำ, คำถามที่หนึ่งกราบน้ำรสการสาธุเนธรรมหลวงพ่อเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งท่านสอนให้หยุดความอยากในชีวิตประจำวันเพื่อลดกิเลสหยุดกิเลสซึ่งคือการไม่เติมกิเลสใหม่เข้าไปในจิตแต่กิเลสเก่าที่ฝังอยู่ในจิต ที่สังสมมานับพบชาติไม่ท่วนจะถูกขจัดไปด้วยวิธีไหนคะเพื่อให้จิตสะอาดจนหลุดพ้นได้เพราะสิ่งที่เรามักนำมาคิดปรุงแต่งล้วนมาจากกิเลสเก่าๆที่ฝังแน่นในจิตใจเจ้าคะ่ะก็ต้องละ้วยการปฏิบัติสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาถึงจะมีกำลังที่จะตัดกิเลสทั้งหมดได้ แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราก็จะตัดได้บางส่วนตามกํำลังที่เรามีอยู่แต่ถ้าต้องการให้ตัดอย่างราบคาบให้มันไม่มีเหลือซากอยู่ในใจก็ต้องตัดด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคําถามที่สอง หากชอบฟังเทศจะขอฟังเทศและดูลมหายใจไปด้วยคือเอาเสียงเป็นเครื่องอยู่แทนคำบริกรรมต่างๆได้ไหมคะเพราะการใช้คำบริกรรมจิตมันคิ ด, ค ด, คดจิตมักไปคิดเจ้าค่ะได้ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้ใช้การฟังธรรมก็ได้แต่ไม่ต้องดูลมเวลาฟังธรรมก็ใช้เสียงธรรมเ ป, เป็นอารม์แทน เพราะถ้าใช้ทั้งลมด้วยฟังธรรมด้วยมันจะมันจะทำให้ใจต้องไปทั้งสองจุดเห็นต้องการให้ใจอยู่เป็นจุดเดียวเห็นเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องฟังธรรมปิดเสียงธรรมไปถ้าดูลมไม่ได้ก็ปิดเสียงธรรมแล้วฟังธรรมไปอย่างเดียวจะดีกว่าคำถามจากนากุติก่อนนั่งสมาธิการเดินจงกรมโดยการบริกรรม ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ30สนาทีและนั่งสมาธิโดยการบริกรรมพุโทโธ30นาทีต้องมีการปรับเพิ่มเวลาใหม่คะหรือควรทำไปแบบนี้ทุกวันคะ่ะคือทำได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดียังนั่งได้นานเท่าไหร่ก็นั่งไปเดินได้นานเท่าไหร่ก็เดินไปทำได้ทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดีจะได้ผลมากจะได้ผลเร็ว คำถามต่อไปควรต้องเปลี่ยนจากขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นพุโทโธไหมคะถ้าเปลี่ยนเป็นพุโทโธเราควรดูที่ใจหรือดูที่เท้าที่กําลังเดินคะคือจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้แนละ้วแต่ความถนัดของเราวิธีไหนที่เราถนัดแล้วมันได้ผลดีเราก็ใช้วิธีนั้นไปถ้าเราใช้พุโทโธก็อยู่กับคําบริกามพุโทโธไปก็ได้ หรือจะดูเท้าไปด้วยก็ได้อันนี้แล้วแต่เป้าหมายก็คืออย่าให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคำนามต่อไปเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะข้อที่หนึ่งเราจะวัดผลยังไงว่าเราปฏิบัติได้เจ้าค่ะก็ปฏิบัติได้คือเราอยู่เฉยๆได้ไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพ เช่คนสมัยนี้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเปิดมือถือดูนั่นดูนี่ฟังนูน่นฟังนี่ไปแสดงว่าปฏิบัติไม่ได้ถ้าคนปฏิบัติได้นี่ไม่ต้องพึ่งมือถืออยู่คนเดียวเฉยๆได้นั่งนั่งดูลมไปเรื่อยๆเวลาไม่มีอะไรจะทำก็นั่งเฉยๆไม่รู้สึกหงุหงิดไม่รู้สึกราคาญใจก็ถือว่าเราปฏิบัติได้ คนถามข้อที่สองเมื่อร่างกายแตกดับได้จิตใจไปยังไงต่อเจ้าคะจิตใจมันไม่ตายมัน ก, มนก็มันก็ไปหาร่างกายใหม่ช่วงที่เรารับร่างกายใหม่จิตใจมันก็เหมือนอยู่ในโลกอยู่ในโลกของความฝันนะเวลาเราตายก็เหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับเวลานอนหลับใจเราก็เข้าสู่แดนเนลมิตแดนของของของความฝันใจเราก็จะฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไป ถ้าทําบุญมาก็จะฝันดีถ้าทํำบาปมาก็จะฝันร้าย<ฮ>เวลาตายก็แบบเดียวกันมันก็จะเข้าสู่แดนของความฝันช่วงที่ยังไม่มีร่างกายถ้าทําบุญมามันก็จะฝันดีก็จะ เ, จเป็นสวรรค์ไปถ้าทํำบาปมาเป็นมันก็จะฝันร้ายมันก็เป็นอบายไปเป็นเปรตเป็นนรกไปในเกือเือสภาพของใจเวลาที่ไม่มีร่างกาย แต่ใจไม่มีที่ไม่มีที่เคลื่อนไหวเพราะใจไม่มีรูปร่างมันก็อยู่ที่เดิมแต่มันเปลี่ยนสภาพสุขทุกข์เป็นสวรรค์เป็นนรกขึ้นมาอยู่ที่บุญที่บาปที่ทำไว้คำถามจากยูทูบสักขาจากคุณงามสรรันยมสวดพระคาถาบทสั้นๆในใจทุกครั้งที่ระดึกได้ทั้งวันแทนท่องพุโทโธแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะได้คาถาก็ได้พุโทโธก็ได้สวดอิติปิโสก็ได้ คือถามวิธีที่จะยับยั้งความคิดของเราให้มันน้อยลงไปให้มันเบาลงไปเพื่อที่ใจเราจะได้เบาไปด้วยเหตุที่เราหนักอกหนักใจเพราะเราคิดมากคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไปแบกไปอยากไปวิตกไปกังวลไปห่วงใ ย, ยพอเราหยุดคิดได้ความวิตกความกังวลห่วงใ ย, ยก็จะหายไปทำให้ใจเราเบาทำให้ใจเราเย็นสบายให้พยายามหยุดความคิดให้มาก ถ้าถ้ามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาให้มันหยุดอย่างเต็มร้อยเลยนั่งหลับตาดูลมก็ได้คุโทโธก็ได้หรือสวดบทไหนก็ได้สวดไปคำถามจากคุณนาวินกราบเรียนพระอาจารย์เราเรียนมามีสติมาสมอ สมาธิทางโลกทำให้เราสามารถทำข้อสอบทางโลกได้สามารถนาไปปรับใช้ทางธรรมได้อย่า ง, างไรขอพระอาจารย์แสดงธรรมเรื่องเภาวนาปัญญา อ, อ๋อสมาธิทางโลกนี่กับทางธรรมต่างกันสมาธิทางโลกก็ยังมีความคิดอยู่สมาธิทางธรรมนี่จะไม่มีความคิดมีอุเบกขา นั้นไม่เหมือนกันเวลาทำสมาธิต้องหยุดความคิดทางโลกนี้ก็ยังคิดได้ทำงานไปมีสมาธิกับการทำงานไปอย่างนี้ก็เป็นสมาธิแบบทางโลกซึ่งไม่ใช่เป็นสมาธิทางธรรมสมที่ทางธรรมนี้ต้องหยุดความคิดอยู่การเคลื่อนไหวทั้งกายวาจาและใจคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ปฏิบัติแล้วเลิกหอยหาความสุขทางตาทางหูชอบอยู่กับลมหายใจและพุทโธ ร, ร, รู้สึกสุขสงบมากกว่าดูหนังฟังเพลงเลิกท่องเที่ยวเพราะเห็นว่าไรา้สาระมีแต่จะสร้างความทุกข์ความกังวลแต่ความสุขทางลิ้นทางกายยังปรารถนาอยู่ติดรสชาติติดสัมผัสอ่อนนุ่มกา ร, รลูบไล้สงสัยว่า ที่ละได้ยากกว่าทางตาหูเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกคนไหมคะหรือแล้วแต่นิสัยที่สั่งสมของแต่ละคนและจะทำอย่างไรให้ได้ให้ละได้คะกราบขอบความเมตตาเจ้าคะ่ะก็แต่ละคนก็มีมีนิสัยไม่เหมือนกันชอบชอบไม่เหมือนกันก็ต่างกันไปวิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือให้ปฏิบัติให้มากขึ้น ให้นั่งสมาธิทําใจให้สงบให้มากขึ้นใจสงบมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นจะหยุดกิเลสหยุดความอยากได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นคำถามจากคุณพุทธานุสติกราบเรียนถามพระอาจารย์นางพยาบาลถูกเนื้อต้องตัวพระสง่งที่ยาพาดพระจะเป็นอาบัติหรือไม่ครับถ้าเป็นสภาพสตรีไปแตะเนื้อต้องตัวผ้าก็อาบัติเพราะว่า พระไม่ควรจะให้สภาพสติมาแตะต้องร่างกายของตนเพราะจะทำให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้เป็นภัยต่อพระแต่สมัยนี้ทางทางโรงพยาบาลเขาไม่รู้จักที่ไหนของพระเขาก็เลยบางทีเขาก็ไปตรวจร่างกายของพระไปจับที่ตรงนั้นตรงนี้เพื่อ ด, ดูอาการต่างๆซึ่งพระพระควรจะเป็นผู้รู้แต่พระสมัยนี้บางทีก็เป็นพระแบบชั่วคาว บวแล้วก็ไม่รู้วินัยของพระว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ปล่อยให้เขาพยาบาลรักษาแต่ต้องหยิดฉีดฉีดยาให้วัดอุณหภูมิให้อะไรต่างๆไปมันก็ผิดเท่าินัยคำถามต่อไปจากคุณอรุณสุวรรณ ชอบฟังพระอาจารย์เทศ ค, ครับมีกระแสธรรมทาให้สภาวะรวมจิตผู้รู้ตั้งมั่นเป็นอุเบกขาอยากถามพระอาจารย์ว่าจะต้องปล่อยวางจิตผู้รู้กี่ครั้งหรือนานแค่ไหนถึงจะไม่กลับมายึดจิตยึดจิตอีกอยู่กับความบริสุทธิ์ไปตลอดครับก็คือจะต้องปล่อยทุกอย่างไม่ใช่ผู้รู้เราไม่ไม่ปล่อยเราเพราะผู้รู้มันเป็นเราเราไม่ปล่อยมันไม่ได้สิ่งที่เราต้องไปปล่อยก็คือ ร่างกายเข้าของเงินทองอะไรต่างๆแบบนี้คาถามจากคุณขวัญข้าวกลับเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะนรกสวรรค์พบภูมิจริงโดยคําตรัสสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางท่านเข้าใจว่าโดยพระสาวกยังไงเข้าใจพระสาวกอย่างเหมือนว่า เข้าใจว่าพระส ม, มุตติสงฆ์ที่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเป็นผู้สอนที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าตัดไว้เจ้าค่ะคือคําสอนทั้งหมดนี้มาจากพระพุทธเจ้าคนที่มาสอนต่อก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนด้นนั้นเองไม่ได้เป็นคําสอนของตนเองเหมือนที่เราไปเรียนหนงเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วก็ไปเรียนจากครูจากอาจารย์แล้วก็ความรู้ที่ครูอาจารย์สอนเรามามาสอนคนอื่นมาบอกคนอื่นต่อ พราะเราไม่มีความรู้ของเราเองคำถามจากคุณพลเมื่อเราไม่มีเราในร่างกายก็ไม่จําเป็นสนองความอยากของร่างกายใช่ไหมครับเมื่อเราไม่มีอะไรในร่างกายนะเมื่อเราไม่มีเราในร่างกายก็ไม่จําเป็นสนองความอยากของร่างกายใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิมันความอยากมันก็เรื่องของความอยาก นันต้องไปหยุดดูที่ความอยากว่ามันมีความอยากอยู่หรือเปล่าจะมีเราหรือไม่มีเราในร่างกายมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันเรื่องความอยากนี่บางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าต้องไม่มีเราในร่างกายมันก็ยังอยากได้อยู่คำถามจากคุณชิตชัยกราบเรียนถามพระอาจารย์ผมเห็นหมอพาตัดเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนข้าง ในร่างกายแต่นิสัยเก่านิสัยเดิมของคนนั้นก็ไม่เปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมแสดงว่าร่างกายก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับก็ร่างกายไม่ใช่เป็นตัวที่ทำให้เกิดนิสัยต่างๆขึ้นมาตัวที่เกิดนิสัยต่างๆคือใจไ่เปลี่ยนร่างกายก็เหมือนกับคนขับรถกับรถยนต์นี่รถยนต์ไปเปลี่ยนเครื่องแต่คนขับคนเดิมคนขับก็ั ข, ขับแบบเดิม เคขับสวิตสวานะ้านมาขับสวิตสว้า์แบบเดิมถ้าอยากจะให้คนขับเป็นคนขับดีก็เปลี่ยนคนขับสิเอาคนขับที่ขับเรียบร้อยมาขับรถยนต์คันนั้นก็จะขับอย่างเรียบร้อยใจร่างกายนี่จะเปลี่ยนอวัยะวะเป็นสมองเปลี่ยนอะไรมันก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยใจคอเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนิสัยใจคอพฤติกรรมต่างๆมันอยู่ที่ใจหมดแล้วเหรอ มีคำถามสช่ค่ะจากคุณนักรบทองทัพ ร, รมขอความเมตตาพระอาจารย์ผมยังไม่เข้าใจพุทธวจนะที่ว่าเธอจงทำความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอเสมอขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับเออถ้าเราทำความเพียรจนไม่มีเวลาพักผ่อนมันก็มันก็ไม่ดี เพราะร่างกายมันก็เหนื่อยมันก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบางคนเร่งรีบอยากจะทําให้มันเสร็จเร็วๆก็เลยทำหามหามลูกหามขําแต่พอมันร่างกายมันอ่อนเพลียผลประโยชน์ผลที่จะได้จากการกระทามันก็ไม่ไม่เกิดเพราะร่างกายมันไม่พร้อมที่จะทําตามที่เราต้องการยังก็ต้องมีเวลาพักผ่อนต้องการปฏิบัติมันก็ต้องมีความพอดีสมาธิก็ต้องทําปัญญาก็ต้องทํา แต่ไทปทําปัญญาอย่างเดียวมันก็ไม่พอมันก็ทําให้ร่างกายทําให้จิตใจมันไม่ถ้ามันไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่มีกําลังที่จะใช้ปัญญาสู้กิเลสได้ต้องมีถ้าพักผ่อนมากเกินไปไม่ใช้ปัญญาเลยก็ก็ก็กกไปดับกิเลสไม่ได้เหมือนกันดงมันต้องมีความพอดีของของแต่ละของแต่ละธรรมต้องมีเหมือนกับร่างกา ย, ยานี่ก็ต้องมีการพักผ่อนให้พอเพียง ต้องมีการกินข้าวให้พอเพียงแล้วถึงจะไปทํางานได้ทํางานอย่างเดียวไม่กินข้าวไม่พักผ่อหนหลับนอนเดี๋ยวร่างกายก็ทํางานไม่ได้นั่นเองก็คือความพอดีความของคำเพีงต้องให้รู้จักพอดีว่าอย่างไรเป็นการพอดีเราปฏิบัติไปเราก็จะรู้เองเราจะดูที่ผลถ้าผลมันเริ่มไม่ได้ผลแล้วมันแสดงว่าไม่ไม่พอดีนะค่ะคําถามต่อไปจากคุณกรีฑโค้ดอาสา นั่งสมาธิมานานหลายปีอยากจะแยกกายแยกจิตต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องนั่งสมาธิให้มันเกิดผลถ้าถ้ายังไม่เกิดผลมันก็ยังไม่แยกวิธีจะทำให้เกิดผลก็คือต้องฝึกสติให้มากๆคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งไม่ใช่มานั่งมาทำตอนที่เรานั่งอย่างเดียวมันก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาต้องพยายามควบคุมความคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย หยุดคิดเจริญสติตลอดเวลาและเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบจะแยกออกจากร่างกายได้คําถามจากคุณใบบุญเจ้าค่ะกราบสอบถามพระอาจารย์ถือศีลแต่ยังมีโกรธขอวิธีระงับความโกรธจากสัญญาด้วยเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะความเกิดความโกรธเกิดจากความอยากอยากได้อะไรไหมพอไม่ได้ดังใจก็โกรธ ถ, ถ้าไม่อยากจะโกรธก็อย่าไปอยากได้อะไระ ยิน ด, ดีตามตามีตามเกิดแล้วก็จะไม่โกรธอย่าให้เขาทํานู่นทํานี่ให้เราพอเขาไม่ทํำเราก็โกรธเขาแต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาทําอะไรให้เราเราก็จะไม่โกรธเขาคําถามจากคุณสติลเอนติดออกกําลังกายถือว่าเป็นกิเลสใหม่เจ้าคะตีอะไรเนี่ยติดออกกําลังกายเจ้าคะ <ขา S 1> ถือเป็นกิเลสใหม่เจ้าคะก็มัน เรื่องของการความพอดีทําอะไรมากเกินไปก็เป็นกิเลสร่างกายก็ต้องมีการออกกําลังกายออกกําลังกายมากเกินไปมันก็เป็นกิเลสได้เหมือนกันขอโอกาสครับเหตุที่หลวงพ่อออกบวชมีสาเหตุมาจากอะไรครับเพราะมันไม่สุขมล้นี่ยหาความสุขทางโลกไม่เจอว็นเลยเปลี่ยนหาความสุขทางธรรม สิ้นคิดอย่างเดียวบรรลุธรรมได้ไหมครับคำว่าสิ้นคิดนี่เราไม่ทราบว่าหมายความว่าอย่งไรถ้าหยุดคิดก็จะบรรลุขั้นสมาธิได้แต่ยังขั้นปัญญานี้ต้องต้องมีต้องเห็นธรรมต้องเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นตายร่างถึงจะสามารถบรรลุธรรมได้คําถามจากคุณรุ่งโรดดวงสุริยเนตร นั่งสมาธิมาประมาณหาเดือนแล้วแต่นั่งได้หนึ่งชั่วโมงและฝึกเดินชงกลมอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ยังไม่สามารถผ่านเวทนาได้เลยครับและการปฏิบัติเราจะก้าวหน้าไหมครับหลวงพ่อก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องจะได้ผลดีก็ต้องมีสติที่ได้ที่ต่อเนื่องถ้าไม่มีสตินั่งไปกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้ผลแต่อย่างใด คำถามจากคุณพิชาขอโอกาสค่ะเห็นพระบาฮานิกายฉันโยเกิดที่ทําจากกะทิบอกว่าเป็นไข่มันไม่ผิดวินัยจริงไหมคะและถ้าผิดวินัยข้อนี้ลงถึงกับลงอใบยภูมิไหมคะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะขอเป็นคําถามสุดท้ายเนะี่ยคำถามนี้เป็นเรื่องของวินัยของพระ ของบางอย่างก็ฉันได้หลังเที่ยงวันไปแล้วบางอย่างก็ฉันไม่ได้นี่ก็ขึ้นอยู่ที่การที่สงฆ์จะตัดสินเอาว่าโยเกิดนี้เป็นของที่ฉันได้หรือไม่ได้ถ้าฉันได้ก็ไม่ผิดเท่ววาไรไหนถ้าฉันไม่ได้ก็ผิดเท่ววาไรไก็ไม่ไม่ได้ทาให้ไปตกน้ำโลแต่อย่างใดเพรเพียงแต่ว่าทำให้ไม่ก้าวหน้าทางธรรมเพราะไปติดเรื่องของรสชาติของของของสิ่งที่กินเข้าไปเท่านั้นเอง